วันนี้ก็เป็นเหมือนโกนใกล้จะถึงใกล้จะครบหนึ่งเดือนเนาะในการอยู่เข้าจําพรรษาของปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนี้เนาะเขาเรียกว่าเกือบหนึ่งในสามเนาะของการเข้าพรรษาแล้วนะเพราะว่าการเข้าพรรษาก็คือการที่ เราอธิษฐานอยู่ในในอาวาสนานสามเดือนเนาะถ้าไม่มีเหตุก็ไม่ออกไปจากอาวาสตรงนี้ก็เป็นการฝึกฝนเป็นการฝึกฝนตัวเราเองเนาะในการที่ได้อยู่ประจำที่แล้วก็มันก็คือการที่เราจะได้มีเวลาได้ปฏิบัติธรรมต่อเนื่องขึ้น หรือบางทีการที่เป็นการกําจัดเรื่องสถานที่นะเพื่อบางทีให้เราได้เห็นอารมณ์บางทีพอออกนอกพรรษานะมีการเดินทางมีการไปที่นั่นที่นี่เนาะบางทีเราเบื่อที่นี่ก็ไปที่นั่นเบื่อที่นั่นก็ไปที่นู่นเบื่อที่นู่นก็ไปที่นู่นอีกนะฮะคือก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะ แต่บางทีก็อาจจะด่าจะไม่เห็นความเบื่อในใจของเราเพราะว่าเราเบื่อที่ไหนเราก็หนีมันไปแต่การจำาภาษาเนี่ยเป็นการเหมือนให้เราได้เผชิญหน้าได้เห็นกับอารมณ์ที่ที่เราต้องเผชิญนะไม่ว่าจะเป็นนะจะทานที่ไม่ว่าจะเป็นผู้คนไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่แวดล้อม นั่นแหละนะเราก็ถือว่าเหมือนเป็นการที่เรานะทดสอบก็ดูนะทดสอบดนะูไม่ใช่ทดสอบเพื่อที่จะเอาชนะนะแต่เป็นการทดสอบเพื่อที่จะเรียนรู้สภาวะที่มันเกิดขึ้นนะในกายหรือว่าในใจดนะูอันนี้เราจะได้ประโยชน์มากนะแล้วอย่างหนึ่งนอกจากเรื่อง เรื่องสถานที่แล้วเนาะที่จริงมันก็คือเรื่องการอธิษฐานจิตของเราเนี่แหละนะการอธิษฐานจนะิตว่าในพรรษาปีนี้นะเราจะตั้งใจทาสิ่งใดนะเป็นพิเศษไหมนะถ้าเราถือว่าการเข้าพรรษาเป็นช่วงวารพิเศษนะเราก็ควรที่จะอธิษฐานจิตเรานะในการทีนะ่จะตั้งสัจจะ นะกับตัวเองว่าจะทำอะไรให้เป็นพิเศษนะเช่นบางคนตั้งใจว่าจะภาวนาให้ให้มากขึ้นนะหรือบางคนตั้งใจที่จะนะโกรธนะไม่กี่ครั้งต่อสัปดาห์นะหรือบางคนตั้งใจที่จะงด สิ่งที่เคยเสพหรือเคยติดนะ่ยไม่ว่าจะเป็นอ่าสิ่งที่มันเป็นความฟุ่มเฟือยแบบนี้เนาะอ่านะถ้าเราเห็นว่าจะเองติดอะไรนะเราก็งดหรือเราก็เลิกมันไปไอแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ก็น่าทำมากมากนะนะบางทีเราก็ไม่เคยงดไม่เคยไม่เคยละมันสักที เราลองงดลองละมันนะสักบ้างก็ดนะีหรืออีกอย่างหนึง่งอะไรที่เราไม่เคยทำํำนะเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเราลองทํากับมันดูไหมนะทําให้มันแบบตั้งใจนะทําให้เป็นนิสัยนะเป็นนิสัยเช่นเราตั้งใจที่จะอย่างเป็นคาราวาส น, นะอาจจะอธิษฐานนะ เราตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมในรูปแบบให้ได้ทุกวันนะวันละกี่นาทีกี่ชั่วโมงแบบนี้ก็ว่าไ ป, ปไหรือแม้แต่เราเป็นพระเองก็เหมือนกันนะนะถ้าเรามีความตั้งใจนะทําให้มันได้ทุกวันนะวันละเท่าไหร่นะก็ยังดีนะอืมแต่ถ้าสำหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆนะบาง ท, ทีก็ไม่ใช่บางทีหรอก <c oughs> การทําให้เป็นนิสัย ในช่วงเริ่มต้นแรกแรกเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะเลยนะเนีย่ยยผมเองก็รู้สึกว่าที่อยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าความตั้งใจในการปฏิบัติธรรมในช่วงภาษาแรกแรกนะมันคือถ้าแรกแรกเราเรามีความตั้งใจดีนะมันก็ส่งผลมาถึงตอนนี้เลยนะเพราะว่ามันคล้ายๆเป็นพื้นฐาน มันเป็นพื้นฐานของจิตใจนะแล้วก็เป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตนะในเพศนักบวชหรือว่าการอยู่วัดด้วยนะเพราะว่าถ้าเราเริ่ ม, มต้นด้วยการเน้นที่การฝึกจิตฝึกใจของเรานี่แหละนะมันจะทำให้เรามีเครื่องอยู่มีเครื่องอยู่ไม่ว่าจะมีจะอยู่คนเดียวก็ได้นะ จะอยู่กับคนอื่นก็ได้จะอยู่กับการปฏิบัติในรูปแบบก็ได้หรืออยู่กับการทำการทำงานก็ไดนะ้ถ้าเราเน้นที่การปฏิบัติธรรมนะนะในช่วงต้ น, ตนๆเนะี่ยต่อไปมันก็จะไปประยุกต์ใช้กับการเกี่ยวข้องกับผู้คนหรือว่าเกี่ยวข้องกับการงานได้นะโดย ตัวอไม่ขัดเขินนะโดยที่เรียกว่ามันก็กลมกลืนเข้าไปในในชีวิตของเราเองเนะก็ย อ, อยากจะฝากให้พวกเราที่มาอยู่วัดใหม่ๆหรือว่ามาบวชใหม่ๆนใ ห, ให้ให้คิดถึงเรื่องการปฏิบททัติธรรมนะวนแบ่งเวลาในการปฏิบัติธรรมในรูปแบบให้ให้มากขึ้นสักหน่อยส่วนการงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าต้องช่วยเหลือกันก็ ก็ทำนะแต่ก็ก็ไม่ต้องหมุกมุ่นกับมันมากเกินไปนะก็ทำตามเหตุตามปัจจัยนะตามเหตุตามปัจจัยแต่ก็ให้มีเวลาตรงนี้ได้ภาวนาของเราให้มากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนค่ำนะหรือกลางวันก็จัดสรรเอาอย่างอาจารย์กำพลทองมุวนนุ่มนะ ก็บอกว่าตอนหลังจากที่เขียนเขียนจดหมายมาถามกรรมฐานกับหลวงพ่อคำเขียนแล้วหลวงพ่อแนะนำว่า <c oughs> ให้ทำความรู้สึกตัวนะถ้าหายหายใจเข้าหายใจออกก็ให้รู้สึกตัวหรือว่าถ้าพอพลิกมือได้ก็ให้พลิกมือนะรู้สึกตัวนะรู้นะแต่อย่าอยู่นะ ว่ารู้สึกตัวเนะี่ยไม่ใช่เข้าไปอยู่เนะี่ยไม่ใช่เข้าไปจ้องเกินไปนะหลวพาอก็จะย้ำแบบนั้นอาจารย์กระผลก็บอกว่านอนอยู่ที่บ้านเนะี่ยก็ทำแบบนี้แหลนะทำในรูปแบบนะอย่างน้อยวันละหกชั่วโมงนะอันนี้คือทำในรูปแบบเนะ่ยพลิกมือง้ายพลิกมือควนะ่ทำทาอย่างน้อยหนกะชั่วโมงนะต่อวัน นอกรูปแบบก็ทำนะอพับผ้าหม่มแปลงฟันกินข้าวอะไรแบนะี้อ่หรือว่าทำในอีโบทเย้ยย่อยบ้างก็กระพริบตานะอะาอาปากอะไรนะี้ก็คือนอกรูปแบบเปลี่ยนเรียกว่าทำจนั้นทั่ง <c oughs> ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวไปหมดแนะั้วแหละอาจจะปวดแค่ส่วนแขนนะมั้งเพราะว่ายกแต่แขน พลิกมืองายพลิกมือคว่ำนะ่ะเรียกว่าปวดจนทั้งไม่รู้จะเอาแขนไม่ไว้ที่ไหนถ้าเราเคยทําความเพียนต่อเนื่องนะเราก็อาจจะเคยเห็นนะว่าบางทีเดินจนกลมมากเลยจนมือขานี่มันมันล้าเนะไม่รู้ตอนจนจะเดินต่อไปเนี่ยโอ้ปวดเมื่อยไปหมดเลยหรือยกมือสร้างย่างววาจนปวดไหล่ปวดแขนไปหมดนะ่ะอันนี้คือความเพียนนะ ความเพียนที่เราทำนะมันก็อาจจะเกิดความเมื่อยล้านะตามมาบ้างแต่มันก็เป็นความเหมือนสุขใจที่เราแบบอืมเราได้ทำนะเราได้ทำแม้ทำแล้วมันจะเกิดผลแล้วหรือยังมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่คือเราได้ทำเหตุนะได้ทำเหตุคือได้ปรารบความเพียนนะอันนี้คือ คือเป็นสิ่งที่มันมีค่ามากนะแต่จะเกิดผลอย่างไรเนะี่ยมันก็สืบเนื่องกับการที่เราก็ต้องวางใจให้ถูกเลยนะทำความรู้สึกตัวนะก็ให้รู้สึกตัวอย่าไปจ้องอย่าไปเพ่งส่วนใดส่วนหนึ่งนะให้รู้แบบสบายๆนะให้รู้แบบผ่อนคลายนะรู้กาย ที่เคลื่อนไหวแล้วก็รู้ทันใจที่เผลอไปคิดนึก น, นีน้รู้แบบนีน้รู้แบบเล่นเล่นอย่าไปจริงจังมากเกินไปแต่ก็มีความตั้งใจนะไม่ใช่ว่าเดินไปเหม่อไปคิดไปดูนั่นดูนี่ไปไอ้แบบนี้คือไม่ตั้งใจเนาะมันทางสายการเนะี่ยคือ การอยู่ระหว่างความแบบความจริงจังเคร่งเครียดนะจดจ้องกับอีกอย่างหนึ่งก็หลงเราไม่รู้ตัวมือลอยคิดนะฟุ้งซานนะทางสายการคือมีความตั้งใจนะมีความแน่วแนนะ่แต่ก็มีความผ่อนคลายแล้วก็มีความสงบ อยู่ในทนะีแต่ตัวที่สำคัญคือคือมีความรู้ตัวนะรู้รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่รู้ทันว่าใจมันเผลอไปอย่างไรบ้างอันนี้คือความรู้ตัวเนาะนะถ้าเราทำไปเรื่อยๆโดยเฉพาะการทำในรูปแบบเนี่ยมันจะเห็นอารมณ์ได้ชัดเพราะว่า อารมณ์ภายนอกอารมณ์หมยถึงว่าสิ่งที่ที่มากระทบจากภายนอกเนี่ยมันจะน้อยลงนะเพราะเรานั่งที่เดิมเราเดินกลับไปกลับมาเนี่ยผักษะที่กระทบทางตาทางหูเนี่ยมันก็มันก็จะเป็นภาษาที่เคยชินเนาะเมื่อเราเคยชินเนะี่ยจิตมันก็จะเกิดความสงบขึ้นนะเคยชินที่จะเห็นเคยชิน ที่จะยินเสียงที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละนะจิตแรกๆอาจจะคิดอาจจะสนใจแต่พอตอนหลังมันก็จะค่อยๆนิ่งค่อยๆสงบขึ้นมันก็จะทำอะไรทำให้เราเห็นเห็นอะไรที่มันอยู่ภายในใจนี่แหละนะเมื่อจิตมันสงบจากสิ่งภายนอกนะแต่จิตมันไม่ยอมสงบจริงๆหรอกนะมันจะหาเรื่องมาคิดหาเรื่องฟุ้งหาเรื่องปรุงแต่งไปเรื่อย ตะกอนที่มันอยู่ในใจนี่แหละมันจะผุดขึ้นมานะปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยเรื่องราวในอดีตนี่มันจะพุ้งขึ้นมาเยอะนะฟุ้งเรื่องการเรื่องงานเรื่องชอบใจเรื่องไม่ชอบใจนะในอดีตเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาสารพัดมากมายนะไอที่ไม่เคยจําได้มันก็จําขึ้นมาได้ของมันเอง ไอ้ที่คิดว่าลืมไปนานแล้วอ๋มันก็มาของมันเองอย่างผมก็เออปฏิบัติไปไอ้ความจําแรกตั้งแต่ย้อนได้นะจะถึงสองขวบนะแต่ทั้งที่ตอนไม่ได้ปฏิบัตินะี่ก็ดืมมันไปไม่รู้นานหลายสิบปีแล้วนะแต่พอปฏิบัติไปเอามันจําเหตุการณ์เมื่อตอนสองขวบได้อที่เคยแกล้งคนอื่นอะไรนั่นนะ เออมันก็จะลึกของมันได้เองเนาะคิอจิตมันจํานะแล้วมันก็ผุดคุยมาให้เรามาให้เราหลงให้เราเพลินไปกับมันเนาะนั้นพอปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถ้าเราอ่ผ่านความง่วงได้นะบางทีก็จะมีความฟุ้งซ่านในเรื่องราวของอดีตเนี่ยที่มันจะจะผุดจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะเราก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนาะนะ อย่าไปคิดว่าทําไมมันถึงเกิดนะทําไมมันถึงคิดขึ้นมาได้ละ่นะหรือบางทีเราก็ต้องระวังไปติดกับอารมณ์นะบางอารมณ์ <c oughs> ที่มันเพลินที่เราพอใจที่เรามีความสุขเนี่ยมันก็จะติดเพลินกับมันนะไปคิดกับมันไปดื่มด่ากับความสุขความสบายความเพลินกับอารมณ์นั้นๆ เราก็ต้องรู้ทันเนาะหรือถ้าอารมณ์ที่คิดขึ้นมามันเป็นเรื่องของความโกรธความหงุดหงิดกับใครกับเรื่องอะไรหรือกับตัวเราเองก็ดีนะบางทีเราก็ต้องรู้ทันนะรู้ทันเพราะถ้าเราไม่รู้ทันจิตมันจะมาตำหนิมาโทษตัวเองมาทักถมตัวเองหรือว่าเพ่งโทษคนอื่นนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ มันเป็ น, นกลไกของกิเลสนะที่มันหลอกถ้าเราดูดีๆศึกษาไปเรืนะ่อยๆเนี่ยมันจะเห็นว่าโอ้มันเป็นมันเป็ น, นกลไกของกิเลสหนะ้าที่มาหลอกแล้วนะวนไปวนมาไม่รู้กี่ครบกี่ชาติแล้วนะ่ะมันก็มาหลอกแบบนี้แหละแล้วก็ดูนะเมื่อใจเราเป็น ก, ากลางกับมันได้มากขึ้นอารมณ์นึกคิดปรุงแต่งเรื่องราวอดีตมันก็จะมันก็จะสั้นๆลงเพราะเรารู้ทัน ไม่ปีีปุ่มกับมันต่อนะก็ช่างหัวมันนะก็เดินไปก็กลับมารู้สึกตัวใหม่นะแต่ก็เห็นนะมัเผลอไปนะแต่เราไม่ไหลไปกับเขานะเราก็ทำาบเนี้ไปเรื่อยนะจิตมันก็จะตั้งมั่นกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะไม่หลงไม่ไหลไปกับอดีตนะกลับมาอยู่กับปัจจุบันแต่คราวนี้บางทีอดีตมันมันหลอกล่อเรา ไม่ค่อยได้แล้วมันก็จะหลอกล่อเรื่องราวอนาคตมาแทนนะบางทีก็อาจจะคิดโครงการนั่นนี่นะึิมเป็นสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์นะบางทีเราก็คิดอยากจะชวนคนนั้นคนนี้นะให้มาทำบุญให้มาปฏิบัติธรรมหรือบางทีเราฟังทำมากมากบางทีก็คิด นะคิดอธิบายธรรมนะคิดคบคิดในธรรมนะที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านมาอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มันคล้ายๆมาหลอกลนะ่อให้เรารู้สึกมีความเพลินมีความสนุกนะในการคบคิดธรรมะก็ดีในการคิดอยากจะชักชวนบอกกล่าวคนอื่นก็ดีหรือคิดอยากจะทำโครงการอะไรที่ดูเป็นประโยชน์นะ ต่อหน่วยงานต่อชุมชนอะไรก็ดีอันนี้อาจจะเป็นอารมณ์หนึ่งนะที่ที่หลายคนก็จะติดนะแล้วก็เพลินไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอารมณ์พวกนี้มันเป็นอารมณ์ด้านบวกนะอารมณ์ที่เป็นเหมือนอยากจะช่วยคนอื่นนะอยากจะทำประโยชน์ไหมนะมันก็เป็นความเพลินเพลินก็คิดจบนะนะบางคนเนี่ย นะคิดโครงการเนี่ยเขียนโครงการในใจจบแล้วรอแต่ไปพิมพ์เท่า น, นั้นแหละนะอะไรแบบนี้นะบางคนคิดบางคนก็คิดเรื่องโอ้ยอยากจะมาช่วยวัดช่วยวาคิดปรุงไปคิดเตรียมไปก่อนนะว่าถ้ากลับมาอีกรอบหนึง่งจะซื้ออะไรมาบ้างอะไรนะั่นะก็เตรียมไว้ในใจแล้วก็มีให้เรารู้ทันมันนะนะอย่าไปเสียเวลากับการ ที่ขณะที่เดินอยู่หรือนั่งยกมือสัจจะอยู่ไปคิดวางแผนกับมันนะรู้ทันมันวางเลยรู้ทันมันวางเลยนะแม้ความคิดมันจะดีเลิศเสิ่มสีขนาดไหนนะก็วางมันไปก่อนวางมันไปก่อนถ้าจะคิดก็ตอน ว, วางการปฏิบัติก่อนตั้งใจคิดนะแต่ก็ยังไม่อยากให้คิดในตอนที่เราอยู่ตอนนี้เนาะ ถ้าเป็นแผนการในอนาคตก็เดี๋ยวค่อยไปคิดตอนที่เรากลับไปทาการทำงานนะกลับไปที่บ้านไปตั้งใจคิดได้แบบนี้นคือคิดก็ต้องรู้จักคิดให้มันจบด้วยนะนะไม่ใช่คิดปลุงไปไปเรื่อยนะแต่สำหรับคนอยู่วัดเนาะไม่ได้กลับไปที่บ้านทายัางไงนะบางทีเราก็ต้องจัดสรรเวลานะภาวนาในรูปแบบนะก็ทำไป แต่พอบางครั้งก็เบรกพักเพื่อคิดนะในการทำงานทำการไอแบบนี้ก็ได้นะคิดเสร็จจบนะแล้วก็ค่อยเอาไปทำหรือว่ายังไม่ถึงเวลาทำพอเรากลับมาในรูปแบบเราก็วางความคิดการงานพวกนั้นไว้ก่อนนะแล้วก็มาปฏิบัติทำก่อนมันก็จะเป็นเรียกว่าเหมือนเราทำอะไรก็ ทำให้มันแบบมีความตั้งใจในทีละอย่างทีละขณะไปเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รับรู้อย่างอื่นนะนะก็รับรู้อย่างอื่นได้นะเห็นจิตเห็นใจมันเผลอออกไปบ้างก็ได้นะแต่เราจะไม่ไหลไปกับมันนานๆแบบนี้เนาะอารมณ์พวกนี้บางทีมันก็จะดอกเราให้มันไหลไปนะเราก็ฝึกให้มันรู้ทันนะอยู่ ก ล, กลับมาไม่บ่อยกับมาไม่บ่อยนะจิตมันก็จะเกิดความมั่นคงขึ้นเกิดความตั้งมั่นขึ้นนะสมาธิก็ดีขึ้นสติก็ดีขึ้นนะมันก็จะอยู่กับการภาวนาได้แบบเออรู้สึกเพลินเพินนะเพลินเ พ, นเพินมีความสุขนะแต่ก็ต้องระวังนะระวังว่าบางทีปฏิบัติแล้วมันเพลินนะ ไม่อยากไปทำอย่างอื่นเลยนะไม่อยากพักนะไม่อยากฉันไม่อยากอาบน้านะมันรู้สึกเดินก็เพลินยกมือก็เพลินนะเบาๆนะเดินเหมือนตัวเบานะยกมือเหมือนมือมันลอยแบบเนี้ยก็มีนะ <c oughs> เราก็รู้ทันมันนะอย่าไปอย่าไปอินอย่าไปาเ็บกับมันนะ รู้ว่ามันเพลินรู้ว่ามันเบาแต่ใจที่รู้ก็ต้องชัดเจนขึ้นมานะไอ้ น, นั้นความเพลินความเบ า, า, ม, เบามันเป็นภาษาพระเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเจตสิกอย่างหนึ่งเจตสิกก็คือว่าอาการที่เกิดขึ้นกับจิตอย่างหนึ่งแต่ใจก็ต้องสร้างสภาวะผู้รู้ผู้ดูให้มันเด่นขึ้นมานะเห็นเห็นจิตว่ามันเพลินเห็นจิตว่ามันเบาเ แต่ใจก็ยังเป็นผู้ดูอยู่นะไม่เข้าไปแนบไม่เข้าไปอินกับมันนะพรอไม่งั้นมันจะกลายเป็นเป็นความสงบเป็นความสุขเป็นความสบายนะมันก็ได้เพียงแค่อารมณ์หรือว่าอาการของของสมถะคือความสงบนะมันได้พลังขึ้นมานะแต่ต้องเป็นพลังที่เราต้องเป็นพลังที่ต้องตื่นตัวนะไม่ใช่ ก็ดังแค่สงบพักนะแต่ถ้าพักโดยรู้ตัวก็ไปพักชั่วคราวแล้วก็ออกมาทํางานทําการต่ออะไรแบบนี้ก็ได้นะอันนี้คืออารมณ์บางทีมันก็จะเผลอมันก็จะเบามันก็จะสบายนะแล้วก็สัดมันออกมาอีกเหมือนกันนะกลับมารู้ตัวนะกลับมานะ สร้างตัวรู้ให้มันเด่นขึ้นสนะภาวะนั้นมันจะเป็นแบบไหนก็เรื่องของมันหนะ้าที่เราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆแหละนะนะอาการคนเนี้มันก็จะมันก็จะค่อยๆดึงจิตให้ไหลไปได้น้อยลงนะหรือว่าจิตมันก็จะไม่ไหลไปกับอารมณ์นั้นนะมันก็จะเห็นนะมันก็จะเหมือน เหมือนสิ่งภายนอกกระทบนะ่ะหรือไม่แต่อาการภายในมันกระทบนะ่ะแต่มันกระทบแบบเหมือนแ ต, แตแ au, แบบๆนะๆเบาๆแถวๆเนอะน่ะมันรู้สึกอยู่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาแต่มันแถวๆเแบาบๆนะ่ะมันไม่กระเทือนหรือว่ามันไม่สั่นไหวนะ่ะแล้วต่อไปเนี่ยจิตตัวเนี้ยมันจะพัฒนานะ่ะกลายเป็นการเห็นนะ่ะ <c oughs> กลายเป็นการแยกออกมาได้นะแยกนะแยกรูปแยกนามนะเพราะมันจะเห็นว่าสิ่งที่มันมันกระทบมันก็เป็นส่วนหนึ่งสิ่งที่ถูกกระทบก็ส่วนหนึ่งนะร่างกายที่เคลื่อนไหวที่เดินที่ทําอะไรก็แล้วแต่ก็ส่วนหนึ่งสภาวะจิตที่มันดูที่มันเห็นมันก็ส่วนหนึ่งนะ มันก็จะเหมือนเหมือนแยกได้เหมือนเรารู้สึกอะเสียงเสียงฝนตกนะมันก็อยู่ข้างนอกอการรับรู้เนี่ยเป็นเรื่องภายในฝนไม่ได้ตกถึงใจของเรานะแต่มันก็รับรู้ได้การเกี่ยวข้องกับกายกับใจของเราเองก็เหมือนกันมันก็จะรู้ว่าเออ มันเป็นคนละส่วนเป็นคนละส่วนกันแต่มันสัมพันธ์กันนะมันกระทบกันนะแต่มันเป็นคนละส่วนกันเมื่อเห็นแบบนี้ได้นะความทุกข์ของรูปความทุของนามมันก็มันก็ไม่มันไม่กวนกันนะรูปทุกข์ก็เรื่องของรูปทุกข์นะแต่นามไม่ต้องทุกข์ด้วยนามมันทุกข์ก็ไม่ต้องไปทำให้ใจมันทุกข์ไม่ต้องทำให้รูปมันทุกข์ตามนะ ก็ละมันเสียมันก็ไม่ต้องทุกข์แล้วเราจะเห็นเลยว่าสาเหตุของความทุกข์มันเกิดจากอะไรโลกของรูปนี่บางทีก็รู้นะบางทีก็ไม่รู้บางทีมันปวดหัวบางทีมันไม่สบายบางทีเราก็ไม่รู้หรอกมันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่บางทีก็รู้บางทีก็ต้องปล่อย ห, หน้าที่ของหมอ ในการวิ่นี่ใช่ไปแต่ใจเราก็รักษาใจเราให้เป็นปกติแทนแต่ถ้าไม่เป็นทุกข์ของนามเนี่ยมันก็จะทันนะกิเลสอะไรมาปุมแต่งจิตอากุศลอะไรมายั่วยวนจิตมาครอบงามจิตเนี่ยเราก็จะเห็นอ้ออันนี้มันมันเป็นโรคภัยมันเป็นพยาธิมันเป็นไวรัสเนี่ยของจิตใจนะ ตัวกิเลสนะตัวตัณหาต่างๆเนี่ยมันเป็นไวรัสมันเป็นพยาธิมันเป็นเชื้อโรคนะเรารู้ทันแล้วก็วาง ม, มันนะเห็นใจก็ส่วนหนึ่งนะกิเลสที่มันจะมาครอบงําจิตนะก็ส่วนหนึ่งนะมันก็จะค่อยๆแยกออกไปแยกออกไปเรื่อยๆนะจิตก็จะค่อยๆพัฒนาไปนะ เกิดความตั้งมั่นเกิดความมั่นคงนะมากขึ้นต่อไปก็เนะี่เห็นเห็นไตรลักเณ์นะที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนะจิตก็จะเออเบาขึ้นสบายขึ้นปลอดโปร่งขึ้นแต่ก็ไม่ไม่ติดนะแต่มันก็จะเห็นสิ่งต่างๆสแสดงผัดเปลี่ยนกันเร็วมากเลยนะมันจะเห็นว่าที่จริงจิตเราไม่ได้นิ่งเลย จิตมีสิ่งกระทบมีัาษะมีสิ่งที่ผุดเข้ามาจากข้างในมีเยอะมากบ่อยมากแต่มันเห็นเห็นอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าอารมณ์อะไรก็แล้วแต่มันมีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งนั้นเลยนะทุกอารมณ์ไม่ว่าจะบวกหรือลบมีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็น เห็นเหมือนแว บ, บๆนะไม่ทันจะเป็นความคิดไม่รู้ว่าเป็นกิเลสอะไรเลยนะมันแค่แว บ, บๆขึ้นมาหรือมันแค่เหมือนแปลกๆเข้ามาในจิตในใจอะไรก็ไม่รู้แหละนะแต่เราก็เห็นมันอะไม่เป็นไรนะเห็นแว บ, บๆนะจิตมันก็ก็ไม่ก็วานมันได้นะไม่ทันคิดปรุงแต่งนะ อันนี้มันก็จะเป็นอาการที่เราก็ค่อยศึกษาไปเนาะนะก็พูดให้ฟังไปเป็นเบื้องต้นแล้วก็ท่ามกลางไปก่อนเนาะน ะ, นะมันก็แต่มันก็มันก็เป็นเป็นประสบการณ์นะที่อยากให้พวกเราได้ได้สัมผัสกันนะได้สัมผัสประสบการณ์ตัวนี้นะที่มันเกิดจากผลของการภาวนานะ มันเป็นผลของพระธรรมนะซึ่งเป็นความจริงที่ทุกคนสามารถทำได้เนาะให้เรามั่นใจว่ามันไม่ใช่เรื่องเหนือวิสัยที่เราจะทำไม่ได้เนาะทุกคนสามารถทำได้นะถ้าเราตั้งใจทำจริงๆนะแล้วก็วางใจให้ถูกด้วยนะไม่ใช่ขยันนะแค่แค่ภายนอกนะ ทำความเพียนแค่รูปแบบนะแต่ก็ต้องวางใจให้ถูกควบคู่กงไปด้วยนะแต่วางใจถูกอย่างเดียวเนะแต่ถ้าขี้เกียจนะบางทีมันก็มันก็เสื่อมได้นะบางทีเราก็ประมาทก็ไม่ได้นะบางทีเราคิดว่าเออเราเข้าใจแล้วเรารู้แล้วนะเราทําได้แล้วแต่ถ้าเราเ อ, อไม่ทําความเพียนต่อคือ ไม่ได้ฝึกผลต่อหรือว่าบางทีบางขนาดเราก็ปล่อยอารมณ์ไปตามกิเลสเลยนะไอที่เคยได้มันก็จะเสื่อมนะนะเพราะว่าถ้านะอารมณ์การปฏิบัติธรรมในช่วงต้นๆเนี่ยมันก็ยังเรียกว่ามันเสื่อมได้นะนะมันถ้าเรายังไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นเป็นพระอริยะนะมันก็จะเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นตัวสติตัวสมาธินะ ตัวตัววิปวิปัสสนาญาณในขันน้นต้นนี้ก็เหมือนกันนะมันเคยเห็นมันเคยได้นะแต่สักพักหนึ่งถ้าเราไม่ทําต่อมันก็จะเสื่อมเสื่อมไปก็ต้องกลับมาเริ่มใหมนะ่เริ่มใหม่ก็บางทีก็ช้านะหรือว่าหรือว่ามันด้านไปนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราตั้งใจจริงเราก็ต้องทําใหม่ให้มันได้เหมือนกันนะนั้นก็ ผู้ที่ยังไม่ขยันนะก็ให้ขยันเข้าไปนะผู้ที่พอรู้แล้วนะก็ต้องรักษาก็ต้องพัฒนาต่อไปนะอย่าให้ความความเพลินหรือว่าความเกียดค้านบางอย่างเข้ามาครอบงมจิตนะแล้วก็เราก็ทำนะตามเหตุตามปัจจัยด้วยนะมีการมีงานแล้วก็อาศัยเป็นช่วงเวลาในการปฏิบัติธรรมนะ อย่าไปคิดรําคาญอย่าไปคิด อ, อ, อยากจะรีบทำให้มันเสร็จเร็จจะได้ไปปฏิบัติที่ทนะเพราะที่จริงตอนที่ทำงานทำการนั่นแหละก็คือการปฏิบัติธรรมเหมือนกันเนาะตอนฉันข้าวตอนทานอาหารก็คือการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะตอนล้างจานตอนกวาดพื้นนะก็คือการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะอตอนขุดดินตอนปลูกต้นไม้นะ ก็คือการปฏิบัติธรรมเหมือนกันตอนเดินตากแดดตอนเดินผ่านฝนน่นะสังเกตไหมพอเราเจอแดดเจอฝนบางทีใจเราก็จะไม่ชอบมันเนาะนะอยากจะเดินเร็วเร็นะอยากจะเบียกมันน้อยๆ้อยอยากจะร้อนให้มันน้อยนอยนะบางทีเราก็รีบเดินใจเราก็ร้อนไปด้วยนะสังเกตไหมแต่ถ้าเรารีบเดินด้วยแค่กิริยา แต่เรารักษาใจให้เราเป็นปกติอยู่ก็ได้น ะ, ะหรือจะไม่รีบก็ได้เดินธรรมดาธรรมดาเบียกไปแล้วก็ช้ำหัวมันร้อนอีกหน่อยก็ช้ำหัวมันก็ได้นะหรือเราจะเดินเร็วขึ้นนิดนึงแต่ด้วยแต่ก็รักษาใจให้เป็นปกติแบบนี้ก็ได้นะแต่บางทีเราก็จะเผลอไปนะเผลอรีบเผลอร้อนทั้งกายทั้งใจแบบนี้นะนะอันนี้ก็คือเราดื่ม ลืมภาวนาไปนิดนึงนะแต่พอระนึกได้เมื่อไหร่ก็กลับมารู้ตัวใหม่นะนยก็ไม่เป็นไรไอ้ที่เผลอไปก็ชั่งหัวมันอันนี้คือเรื่องการงานหรืออยบทนอกรูปแบบเนาะเราก็ต้องคอยตามรู้ตามดูมันอีกส่วนหนึ่งก็อย่างที่ว่าก็ให้เราได้ตั้งใจน ะ, นะตั้งจิตอธิษฐานกับตัวเราเองน ะ, นะเราจะจะทำสิ่งใดที่เห็นว่า มันเป็นการพัฒนาจิตมันเป็นการขัดเกลากิเลสออกไปจากจิตใจเนาะก็ขอให้พวกเราได้ตั้งใจถือว่าพวกเราตั้งใจที่จ ะ, ะปฏิบัติธรรมในรูปแบบนให้ได้วรรลนานสัเท่าไร่ต่อนเนื่องกันเท่าไร่หรือว่าบวกบวกลมกันแล้วได้เท่าไร่น่ะมันก็มันก็จะดีมากนะเพราะว่าโอกาสเข้าพรรษาก็เป็นโอกาสที่ ที่อาจจะบางคนอาจจะเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตของตัวเองเนาะหรือบางคนอาจจะอยู่มาหลายปีแล้วแต่ก็ถือว่าก็ได้มีช่วงเวลาที่เราได้อยู่ในที่เดิมต่อเนื่องแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมต่อเนื่องขึ้นวันแบบนี้ก็ให้เราได้ตั้งใจอธิษฐานในการทําในรูปแบบให้มากขึ้นด้วยวัแบบนี้การเข้าภาษามันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ กับจิตใจของเราเองมากขึ้นแล้วถ้าเราจับหลักได้ตั้งแต่ตอนนี้นะแม้สุดท้ายออกออกจากพรรษาไปแล้วนะเราก็ยังมีหลักในการใช้ชีวิตยอยู่นะไม่เคว้งคว้างไม่สเปดสะปะนะจะอยู่ที่ไหนจะไปที่ไหนนะมันก็มีหลักนะมีทิพซึ่งให้กับจิตใจของเราต่อเนื่องได้เนาะอาจจะฝากไว้นะในเช้านี้ h a n k